เรื่องภิกษุห้าร้อยฟังอนิจจลักษณะบรรลุธรรมพระสัสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุห้าร้อยรูปดังได้สดับมาภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานแล้วแม้ภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าก็ไม่บรรลุระอารหาัสจึงคิดว่า เรจาจะเรียนกรรมฐานเพิ่มขึ้นอีกให้วิเศษจึงกลับไปสู่สำนักพระสัสดาพระสัสดาทรงทราบอุปนิสัยพิกษุเหล่านั้นในการแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพิกษุเหล่านั้นบำเพ็ญแล้วในอนิจจลักษณะสิ้นสองหมื่นปีจึงเห็นว่ากรรมฐานนี้เป็นที่สบายแก่พวกเธอดังนี้แล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสังขารแม้ทั้งปวงในภพทั้งหลายมีการมาพบรูปประพบอรูปประพบเป็นสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะอัตฐาว่ามีแล้วไม่มีดังนี้แล้วจึนตรัสพระคถาว่าเมื่อใดบัณฑิตยอมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นยอมนายในทุก ความหนายในทุกเป็นทางแห่งความหมดจดอธิบายสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะต้องดับไปในภพนั้นๆเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเมื่อใดเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาเห็นแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกอันเนื่องด้วยการบริหารขัน เมื่อกำหนดรู้ทุกย่อมแทงตลอดสัจจะรู้เหตุแห่งทุกขความดับแห่งทุกขและหนทางทําให้ถึงซึ่งความดับทุกเป็นทางแห่งความหมดจดคือทางแห่งความผ่องแผ้วในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลแล้วแม้พระคถาที่สอง เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นต้นเพราะอัตถว่าถูกทุกข์บีบคั้นแม้พระคถาที่สามเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นต้นเพราะอัตถว่าไม่เป็นไปในอำนาจคือบ่งการบังคับบัญชาไม่ได้ว่าธรรมะทั้งปวงจงอย่าแก่อย่าตาย บทที่เหลือก็เช่นกับบทที่มีมาแล้วในบทก่อนดังนี้แหละหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้นั้นในทางวิทยาศาสตรพ์พิสูจน์ได้ง่ายมากนะครับคือร่างกายจิตใจนี้การหายใจการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารการสูบฉีดโลหิตต่างๆในร่างกายทั้งหมดนั้น ให้สังเกตนะครับว่าถ้าเป็นของเราจริงเราต้องบังคับได้แต่นี่เขาทำงานของเขาทำโดยอัตโนมัติโดยจิตไร้สานึกจิตใต้สานึ ก, รนกเราไม่สามารถบังคับได้ว่าหัวใจจงเต้นแบบนี้เลือดจงสูบฉีดไปตรงนี้เท่านั้นแต่เขามีการทำงานตามวิบากที่สะสมจนเกิดเป็นรูปนามนี้ขึ้นมานะครับหรือแม้แต่เมื่อความทุกข์ความดีใจความเสียใจเกิดขึ้นให้สังเกตนะครับว่า เราไม่สามารถบังคับให้เขาไม่ทุกข์ไม่สามารถบังคับให้เขาไม่เสียใจได้เต็มที่ที่ชอบทํากันก็เป็นการกดข่มไว้เท่านั้นก็แม้แต่พระโสดาบันยังร้องไห้ได้นะครับนั่นแสดงว่าจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีวิบากจิตที่เป็นอนัตตานั้นเขาก็ย่อมทำงานของเขาตามเหตุปัจจัยที่มี ต่อเมื่อเกิดการปฏิบัติขั้นสูงสุดตัดเหตุปัจจัยทั้งหมดตัดวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งหมดได้ความทุกข์ย่อมไม่เกิดเกิดเป็นความกลางๆงที่เหลือก็แล้วแต่วิบากเก่าจริตเก่าวาสนาเก่าที่สะสมมานะครับยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์พูดคําหยาบไม่ผิดเพราะว่าเจตนาไม่มีแต่เป็นความเคยชินจากหลายชาติที่สะสมมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ดังนั้นการศึกษาธรรมะต้องรอบครอบและรู้ลึกรู้จริงอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนเชื่อเพียงแค่ท่องจำพุทธวจนะบางบทได้เท่านั้นนะครับเพราะความหมายแท้จริงอันลึกซึง้งยังมีซ่อนอยู่ในคำแต่ละคำนั้นอีกมากจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ